4. ปุราณจีวรศิขาบท 27. ถามทรงบัญญัตินิสักียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักจีวรเก่าณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักจีวรเก่าในปุราะจีวรศสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน